บทที่ 3 การดูจิตคืออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้ว เป็นคําที่นักปฏิบัติกลุ่มหนึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายกันเองภายในกลุ่มหมายถึง การรู้จิตและเจตสิกนั่นเองวิธีการเจริญวิปัสสนาหรือดูจิตการ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 หรือที่นักปฏิบัติสภาวะและนักปริญญาด 1 มีสติเฝ้ารู้ให้ทันสติ 2 ถึงอารมณ์หรือสภาวะธรรมที่ 3 ด้วย ไม่ เผ르 สงสัยไปที่อื่นและไม่แล้ว 4 จิตจะรู้สภาวะธรรมทั้งปวงตามความ ก็ให้รู้เท่าทันเช่นขณะนั้นรู้สึกมีความสุขก็ให้รู้ว่ามีอยากอันเป็นดันให้หู จมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้ว่ามีแรงทยานอยากเป็น หรือเช่นเมื่อจิตมีความสุขจิตมีสุขก็จริงๆเมื่อจิตมีจริงๆเมื่อมีจริงๆและเมื่อหัดรู้มากเข้า ขึ้นที่อกหรือหัตถยะวัตถุแต่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องเช่นเอา 2 นิ้วจะนอกจากเห็นนิมิตเป็นต้น และการมีสติรู้ของจริงก็ไม่ใช่การคิดถามตนเองมีสติรู้สงสัยหรือไม่สงสัยอยากหรือไม่อยากก็ไม่ใช่การคิด ที่จิตจะได้เรียนรู้ถึงความเกิดขึ้นๆไม่ใช่แค่คิดๆเอาเช่น เมื่อเกิดสภาวะบางอย่างขึ้นในจิตว่านี้เรียกว่าราคะสมมุติตรงนี้ห้ามไม่ได้เพราะ หรือแม้แต่การหลงไปคิดนึกๆด้วยแล้วให้เฝ้ารู้สภาวะที่สมมุติเรียกว่า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 เป็นสภาพที่จิตพร้อมที่จะคือเมื่อจิตมีสติรู้อารมณ์ปรมัตถ์ด้วยความ 4 ประการคือ 1 รู้สภาวะของมันที่ปรากฏ 2 รู้ เมื่อสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นคือรู้บทบาทของสภาวะ 3 รู้เม 4 รู้ว่า เพราะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจึงกระต้นให้สภาวะอันนั้นเกิดตามมาใดเกิดขึ้นแล้วจึงกระตุ้นให้สภาวะอันนั้นเกิดเช่นใน ปรากฏตรงหน้าจิตเกิดจำได้หมายรู้ว่านั่นเป็นภาพสาวงามแล้วสภาวะธรรมบางอย่างราคะการรู้สภาวะที่นั่นแหละคือการรู้ตัวสภาวะของมันแล้วก็ พอใจไปกับภาพที่เห็นนั้นผลก็คือจิตถูกราคะครอบงำให้คิดให้ทําให้อยากไปตาม ในส่วนตัวสภาวะของราคะเองส่วนมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นทันทีสภาวะของราคะเองเมื่อผู้ปฏิบัติมีสติรู้อยู่นั้นมัน และมันจะเกิดขึ้นก็ตามตั้งอยู่ก็ตามดับไปก็ตามเกิดไม่ใช่ตามที่เราอยากจะให้เป็นนอกจากนี้มันยังเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราอยู่ผลของการดูจิต แล้วข้อสรุปจิตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจิตปัญญามากเข้ามาเข้าถึงจุด จะทําให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูลงความทุกข์ก็จะ ยังยึดอยู่ส่วนจริงๆเท่านั้นครับนั้นครับสรุปแล้วการดูๆเพราะจิตนั้นแหละคือผู้ ซึ่งเมื่อชำนิชำนาญแล้วก็จะรู้ครบสติปัฏฐานบวกการบวกการเจริญ และการที่นักปฏิบัติบางส่วนชอบพูดถึงคําว่าการดูจิตก็มีเมื่อมันไปรู้อารมณ์เข้า เนื่องจากจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งปวงใน การเจริญสติปัฏฐานก็เช่นหลงเพ่งโดยไม่รู้ว่าเพ่งๆก็เลย โดยเมื่อเรากำลังเผลอหรือหลงยินดียินร้าย การดูจิตเป็นวิปัสสนาชนิดเดียวที่ทำได้ทั้ง 3 โลกคือในกามภูมิที่เป็นสุคติรูปภูมิส่วนมากและอรูปภูมิแม้แต่ใน เป็นเครื่องเจริญวิปัสสนาต่อไปได้จนถึงอย่างโดยเพียงก้าวเดินก้าวเดียว ก็คือเมื่อก็จะรู้รูปได้แก่พื้นก็จะรู้รูปได้แก่กายหรือรูปภายในและธาตุดินคือ คือธาตุไฟของพื้นที่เท้าเหยียบลงไปเป็นต้นขณะที่เหยียบพื้นนั้นถ้าสติรู้เข้าไปที่ความรู้สึกเช่นความเจ็บเท้าความสบายเท้าก็ ไม่ชอบใจชอบใจหรือทะเหยบไปบนพรมนุ่มเท้าก็สังเกตเห็นความพอใจอันนี้สัญญาสังขารวิญญาณเป็นหรือ รู้ถึงความทยานอยากของจิตที่ส่งหลงเข้าไปที่เท้าความถยานอยากหรือรู้อาการสงสัยของหูจมูกลิ้นกายใจหรือรู้ถึงหรือรู้ถึง แต่อย่างนี้พัฒนาไปเป็นกิเลสเข้ามาหรือรู้ชัดถึงความมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีปิติมีความๆมาก่อน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 ไปคิดหาคําตอบแล้วลืมที่จะรู้เข้าไปที่สภาวะของความสงสัยนั้น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 อะไรเป็นอารมณ์ของจริงและอะไรเป็นเพียงความคิดนึกประงแต่งหรือสมมุติบัญญัติที่แปลกปลอม เพราะในความเป็นจริงไม่มีวิธีการปฏิบัติๆได้ 19 ตุลาคม 2543